มีกษัตริย์องค์หนึ่งที่คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้านอกจากพระเจ้าพิมพิศาแล้วก็คือพระเจ้าประสิทธิโกศลนะพระเจ้าประสิทธิโกศลเ ส, สด็จไปฟ้าพระพุทธเจ้าอยู่หลายครั้งแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสนทนานระหว่างพระเจ้าประสิทธิโกศลกับพระพุทธเจ้านี่ก็เยอะในพระไตรปิฎกนะ เพราะว่าพระุทธเจ้าประทับอยู่เชตวันเนี่ยกว่ายี่สิบพรรษาพระเจ้าเปเสนจุกสนก็เป็นผู้ปกครองเมืองสาวัตถีนะซึ่งก็เป็นที่ตั้งของเชตวันมีคราวหนึ่งพระเจ้าประเสนจุกสนเนี่ยไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ก็สังเกตว่าพระเจ้าปรเสนยกสนนี่อ้วนนะเดินเหินก็ไม่คล่องแคล่วนั่งก็อึดอัดนะเวลาจะลุกขึ้นก็ไม่สะดวกเลยเพราะว่าอ้วนอ้วนนี่เพราะอะไรเพราะกินเยอะพระเจ้าก็เลยพูดนะ สอนหรือว่าผู้ใ้คิดนะนะว่ า, าผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในการบริโภคนี่ย่ยอมมีเวทนาน้อยนะแก่ช้าแล้วก็อายุยืนนะไม่ได้พูดตรงๆนะว่าให้พระเจ้าเประเสนิโกศลเนี่ยให้กินอาหารน้อยลงนะแต่ว่าพูดอย่างนี้พระเจ้าเประเสนิโกศลก็รู้แล้วว่า อันนี้คือสิ่งที่ควรปฏิบัติคนธรรมดาก็อยากจะมีเวทนาน้อยนะคือความเจ็บปวดน้อยอยู่แล้วอยากจะมีอายุยืนนะก็เลยให้หลานเนี่ยซึ่งเสด็จไปด้วยเนี่ยท่องเอาไว้นะคาถานเนี่ยเสร็จแล้วทุกมือนะทุกวันเวลาพระเจ้าปเสนิโกสนจะเสวยนะ ก็จะมีหลายเนี่ยคอยพูดท่องคาถานี่ให้ฟังเป็นการเตือนใจคือคนกินจุเนี่ยคนที่ชอบกินอาหารเนี่ยบ่อยครั้งเวลาพอเจออาหารก็ลืมนะลืมว่าควรจะทำยังไงนะเพราะว่าความเพลิดเพลินหรือว่าความยินดีนในรสอาหารเนี่ยมันเรียกว่าครอบงำจิตใจ แต่พอหลานเนี่ยท่องคาถาเนี่ยพระเจ้าปเสนจิโกศลก็จะกินอาหารน้อยลงนะคือได้สติมีสติาการกินนะคนเราถ้ามีสติาการกินนะมันก็จะไม่กินตามใจปากหรือว่าไม่กินเพราะรสชาติอาหารยิ่งมารู้ว่าตัวเองอ้วนนะก็จะหนักว่าจะต้องกินให้น้อยลงนะสติมก็จะเตือนนะว่าให้กิน น้อยๆ น, นะอย่า ก, กินมากสติเตือนให้เราลึกถึงโทษของการกินมากๆนะหรือว่าเห็นประโยชน์ของการกินน้อยๆพอประมาณก็คือเวทนาน้อยนะแก่ช้าและอายุยืนเวทนาน้อยนี่ก็หมายความว่าไม่จุกไม่อึดอัดนะถ้ากินพอประมาณ พรเจ้าเปรเซนที่ก่อสก็ทำางี้ทุกวันนะทุกมือจนกระทั่งน้ำหนักลดนะก็สามารถจะเดินเหินได้คล่องแคล่วจะลุกจะนั่งจะยืนก็สะดวกนะไม่อึดอัดก็ดีใจวันหนึ่งก็ไปเฝ้าคุจาแล้วก็ตัดสรรเสริญว่าพระองค์นะให้คำแนะนำที่ประเสริฐมาก แล้วก็พูดต่อไปว่าพระองค์เกื้อกูลข้าพระพุทธองค์เนี่ยนะข้าพระเจ้าเนี่ยทั้งในเรื่องประโยชน์ปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์เบื้องหน้าหรือพูดง่ายๆคือเกื้อกูลทั้งประโยชน์ทางโลกและประโยชน์ ท, งทางธรรมประโยชน์ ท, งทางธรรมก็คือว่าเอาประโยชน์ทางโลกก็คือการรักษาสุขภาพนะทให แก่ช้ามีอายุยืนนี่เป็นเรื่องประโยชน์ทางโลกนะทางภาษาบาลีก็เรื่อประโยชน์ปัจจุบันนะเห็นได้ง่ายจับต้องได้เาคนไปคิดว่าพระุทธเจ้าเนี่ยสอนแต่เรื่องการพ้นทุกข์นะที่เกิดจากการหมดกิเลสนะการมีจิตอยู่เหนือโลกนะโลกธรรมไม่อาจแผ่วพาน แปดเพื่อนจิตใจได้นะแต่ที่จริงแล้วพระองค์ยังสอนมากกว่านั้นนะสอนเรื่องทั้งโลกด้วยอันนี้พระเจ้าปเสนโกศลก็เห็นด้วยตานะประจักษ์ด้วยใจว่าโอ้พระองค์สอนในกว้างมากนะทั้งเรื่องการไม่เป็นท่าของกิเลสนะเพื่อยกจิตให้พ้นทุกข์แล้วก็แม้กระทั่งเรื่องการลดน้ําหนักนะให้มีสุขภาพดี เรื่องประโยชน์ทางโลกนี้พระเจ้าก็สอนเยอะนะแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพเนี่ยที่ผู้เจ้าก็ได้เคยสอนไว้นะว่าการที่คนเราจะมีอายุยืนได้เนี่ยควรทําอะไรบ้างนะบางข้อก็คล้ายกับที่พระองค์สอนพระเจ้าประัญญิโกศนนะข้อแรกคือว่ากินอาหารที่ย่อยง่ายนะกินอาหารที่ย่อยง่ายนะถ้าอยากอายุยืนนะ เดี๋ยวนี้อาหารที่คนเรากินอาหารสมัยใหม่นี่มันย่อยยากนะเพราะว่ามันทำด้วยเนื้อนะบางมื้อนี่ของฝรั่งนี่เป็นเนื้อทั้งแท่งเลยนะเป็นเป็นก้อนเลยนะเนื้อนะไอ้เนื้อนี่มันย่อยยากอยู่แล้วไม่เหมือนไม่เหมือนอผักหรือแม้แต่เนื้อปลาเนื้อไก่ก็ยังย่อยง่ายกว่าเนื้อวัวอันนี้เป็นปัญหาของฝรั่งนะในช่วง หลายสิบปีที่ผ่านมาคือเขากินอาหารที่มันย่อยยากแล้วคนไทยก็เจริญลอยตามนะก็เลยมีปัญหาเรื่องสุขภาพโลงมะเร็งนะเกิดจากเกิดจากการกินอาหารนะที่มันเต็มไปด้วยโปรโตีนอาหารเนื้อเนื้อเป็นแผ่นแผนเป็นก้อนๆอย่านนะีนี่พระเจ้าตัดไว้นาแล้วว่าให้กินอาหารที่ย่อยง่ายแล้วข้อที่สองคือพระงองค์สอนให้ทําสิ่งที่สบายู ง, ง่ายๆคือใช้ชีวิตที่สบาย รู้จักหาความสบายใส่ตัวอันนี้คนมางคนไม่เข้าใจผู้เจ้าสอนให้ทรมานสอนให้ลําบากนะหรือเข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยปฏิเสธเรื่องความสบายจริงๆพระองค์สอนเลยนะว่าให้รู้จักทําความสบายให้กับตัวหรือว่าให้รู้จักทําสิ่งที่สบายอย่าไปทรมานตนอย่าทำอะไรที่มันลําบากหักโหมทํางานหนักเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนอันนี้ไม่ถูกนะยิ่งทรมานตนแล้วนี่ ยิ่งไม่ใช่คำสอนของพระพุทธองค์ควาว่าสัปปายะเนี่ยนะั้นก็เป็นธรรมะข้อธรรมะใหญ่นะหมวดหนึ่งในพุทธศาสนานะสัปปายะก็ภาษาไทยภาษาไทยเราก็มาแปลให้เป็นคำว่าสบายนะสบายใน้นคนเราเนี่ยก็ต้องรู้จักหาความสบายใส่ตัวนะอย่าไปทรมานตนไอ้การที่พระไม่ฉันอาหารในเวลาวิการหรือว่าญาติโยมที่มารักษาศีลแปดนะ กินมื้อเดียวสองมือ้อไม่กินอาหารกลางไ ม, ไม่กินอาหารเย็นเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ทรมานตนนะมันก็เป็นส่วนของการทำความสบายให้เกิดขึ้นกับตัวด้วยเพราะพ อ, พอไม่ต้องยุ่งยากกับอาหารมื้อเย็นแล้วมันก็สบายไม่แน่นท้องนะถ้าหาว่ากินอาหารกลางคืนเข้าไปที่ทำความสบายล้วก็ต้องรู้จักประมาณนะอันนี้เป็นข้อที่สามรู้จักประมาณในสิ่งหรือความสบายสบายมากไปไม่ดีนะคนาง น, นี้ก็ ป่วยเป็นเป็นโรคนานาชนิดเพราะมันสบายเกินไปกินอาหารเยอะแต่ไม่ออกกําลังกายทั้งวันเอาแต่นั่งนะทำงานก็นั่งนะนั่งโต๊ะนะชาวบ้านสมัยก่อนนี่ทํางานคือออกไปทําไร่ทํานาออกไปหาบน้ําชาวบ้านนี่ไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่นะยกเว้นเวลาเหนื่อยก็ค่อยนั่งนะแต่ว่าคนสมัยนี้มันนั่งตลอด กินข้าวก็นั่งเก้าอี้ไปทำงานก็นั่งรถถึงที่ทำงานก็นั่งโต๊ะนะกลับมาบ้านก็นั่งอีกนะนั่งดูโทรทัศน์หรือไม่ก็นั่งก้มหน้านะดูจอโทรศัพท์มือถือเล่นลายนะเนะพิ่งมาขยับขยื่นก็ตอนมีโ ป, โปเกมอนนี่แหละนะเพราะว่า มันจะจับโปเกมอนได้ต้องเดินนะอันนี้เป็นความตั้งใจนะที่อยากจะให้คนสมัยนี้เดินบ้างนะอย่าเาแต่นั่งเล่นเกมอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่แล้วก็นั่งกันทั้งนั้นแหละไม่นั่งก็ น, นอนไม่ค่อยได้ใช้แรงกายเท่าไหร่นะใช้แค่นิ้วนะและนิ้วนี่ก็ใช้แค่สองสมนิ้วนะมันไม่ได้ใช้มือนะใช้แค่นิ้วสองสนิ้วเท่านั้นแหละอันนี้เรียกว่า สบายมากเกินไปเมื่อสบายมากเกินไปสุขภาพนะก็แย่นะแย่เพราะว่าเป็นโรคหัวใจไขมันเยอะนะเป็นโรคเบาหวานโรคมะเร็งนะโรคซึมเศร้านี่ก็มีส่วนนะเกิดจากการที่นั่งนานๆนั่งแล้วก็ไม่ทําอะไรใจลอยไม่ได้ทํางานไม่ได้ใช้แรงใ้การที่คน จะหายจากโรคซึมเศร้าอย่างนี้นี่าก็แนะนํำนให้ออกกําลังกายการออกกาลังกายเป็นวิธีช่วยบรรเทารโรคซึมเศร้าซึ่ง เ, เป็นปัญหาของคนสมัยนี้เนี่ยเยอะมากนะออกกําลังกายไม่ต้องมากไม่ต้องหักโหมวันละครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยๆเพิ่มไปเพิ่มไปนี่ก็ช่วยบรรเทาลดโรคซึมเศร้าได้นะแล้วข้อที่สี่นะัคือให้มีศีลนะ ให้การมีศีลก็ช่วยทำให้อายุยืนนะเพราะว่าถ้าไม่มีศีลแล้วอายุสั้ น, นง่ายๆไปเบียดเบียนคนไปทาร้ายผู้คนไปลักขโมยไปไประพฤติผิดในกาวนี้ตายเร็วนะยิ่งข้อห้าด้วยแล้วนี่ก็ตายผ่อนสงนะกินเหล้าให้การมีศีลนี่ก็เป็นเป็นประโยชน์นะต่อสุขภาพของเราด้วยรวมทั้งศีลแปดด้วยนะศีลแปนี่มันไม่ใช่เป็นการ เพิ่มความทรมานให้กับร่างกายแต่เป็นการทำให้ประหยัดพลังงานนะเพื่อที่เราจะเอาพลังงานไปทำสิ่งที่ดีกว่ามันก็ช่วยทำให้อายุยืนเดีย๋ยวนี้บางคนเสียพลังงานไปกับเรื่องที่ไม่เป็นสาระการกินการเที่ยวการเล่นไอ้พวกนี้นมันบั่นทอนสุขภาพเหมือนกันนะเที่ยวทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเล่นเล่นไพ่นะทั้งคืนสุขภาพแย่ อันนี้เพราะว่ า, าไม่รู้จักควบคุมตนเองแต่ถ้ามีสินแนี่เออไอสินข้อที่เจ็มันก็มันก็บังคับเลยนะว่าไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปเล่นลวนะข้อสุดท้ายคือการมีกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรมีมิตรดีเนี่ยมันก็ทำให้มีอายุยืนนะอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนสมัยนีย้คนสมัยนีย้ไม่มีเพื่อน มีเพื่อนก็เป็นเพื่อนเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินแต่ว่าเพื่อนจริงๆไม่มีกลับมาบ้านก็เหงาเหงามากๆก็ก็เหี่ยวเฉานะแล้วก็ตายบางทีก็ฆ่าตัวตายก็มีนะโรคเหงาเป็นปัญหาคนสมัยนี้มากอันนี้เป็นตั้งแต่เด็กแล้ววัยรุ่นก็เหงาแล้วเท่าที่มีสมาร์ทโฟนสามารถติดต่อคนได้ทั่วโลกแต่เหงา การมีการเลี้ยงมิตรเนี่ยมันช่วยทั้งใจและกายนะคนสมัยนี้พอไม่มีคนเป็นเพื่อนก็ไปเลี้ยงหมาแทนก็ยังดีนะมีหมาเป็นเป็นมิตรนะการลี้ยงมิตรยังชิญชวนให้ทาความดีด้วยทำความดีก็จิตใจก็ช่มชื่นเบิกบานอายุก็ยืนมีกาเลี้ยมิตรก็ชวนให้ทำสิ่งที่มีประโยชน์นะไม่ผิดศีลอันนี้ก็ช่วยทำให้สุขภาพดี อันใครอยากมีอายุยืนนะก็นะอย่างน้อยเนี่ยก็ทำตามที่พระเจ้าแนะนำพระเจ้าประสิทธิ์กฤษ ณ, ษณนะมีสติทุกเมื่อรูป้ประมาณในการบริโภคหรือว่าทำให้ดีกันั้นก็คือเนี่ยปฏิบัติตามทำมาที่พระเจ้าสอนว่าการมีอายุยืนหรืออายุวัฒนธรรมก็คือกินอาหารที่ย่อยง่ายทาสิ่งที่สบาย รู้จักประมาณในความสบายนะมีศีลแล้วก็มีกัลยาณมิตรนะอันนี้แหละก็ทำให้จะอายุยืนได้และสุขภาพจิตก็ดีด้วยอะละเตรียมรับ